ซึ่งปัจจุบันหาได้ง่ายมากจากอินเทอร์เนต็ตเช่นที่เว็บไซต์ l, net, l a r n net learn. d s h a m net ศึกษายดีๆจะพบว่าผมแทบลอกวิธีเจริญสติมาจากสูตรนี้คำต่อคำทีเดียวครับแม้วิธีเรียบเรียงและการใช้โวหารจะเป็นภาษาสมัยใหม่แต่ก็อิงพุทธพจน์ซึ่งกระจายอยู่ในสูตรอื่นเสมอหากคุณสนใจและนำไปปฏิบัติจริง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 เราจะทำความรู้จักและพูดคุยกันผ่านคอลัมน์นี้โดยผมจะรับอ e ีเมลจากคุณคุณที่ knowityourself@gmail.com k n o w i t y o u r s e l f gmail.com ขอให้แจ้งชื่อนามสกุลจริงหรือนามแฝงอย่างไรก็ได้เพื่อเอามาลงไว้ให้รู้ว่าเป็นคำถามของคุณนอกจากนั้นต้องมีข้อมูลเฉพาะตน ได้แก่หนึ่งอาชีพจะเอาศาสตร์หรือสาขาที่เรียนจบมาก็ได้เพื่อบ่งบอกว่าตัวตนของคุณปรากฏเป็นภาพประมาณใดสองลักษณะงานที่ทำอยู่เป็นประจำหมายถึงสิ่งที่คุณทำอยู่จริงๆเช่นคุยกับคนมากหน้าหลายตาทำงานเอกสารซ้ำซากหรือต้องคิดค้นหาไอเดียแปลกใหม่อยู่ตลอดเวลา จากข้อนี้ผมจะช่วยแนะได้ถูกว่าคุณควรเริ่มเจริญสติด้วยก้าวแรกท่าไหนจึงจะเหมาะกับสภาพกายสภาพใจในชีวิตจริง 3. ข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติหลังจากคุณศึกษาวิธีเจริญสติของพระพุทธเจ้ามาแล้วจะในระดับของการอ่านการรับฟังหรือการลงมือปฏิบัติจริง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 ถ้ายังไม่แน่ใจว่ารูปแบบถามตอบจะเป็นเช่นไรก็ลองดูตัวอย่างสักสองสามอาทิตย์แล้วค่อยส่งเมลมาก็ได้ผมจะไม่เรียงตามลำดับก่อนหลังคือถ้าเห็นว่าน่าสนใจและเป็นเรื่องที่ทุกคนอยากรู้อยู่แล้วก็จะนำมาเสนอทันทีครับแล้วคุยกันดังตรินบทความจาก นิทยาสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่34เสียงอ่านโดยโจโฉหรืออนุสอนตรีโซภา